พระบัญญัติ722ก็ภิกษุณีทั้งหลายอยู่คลุกคลีกันมีความประพฤติเลวทรามมีกิเลศั์ในทางเสื่อมเสียมีชื่อเสียงไม่ดีมักเบียดเบียนภิกษุณีสงฆ์ปกปิดโทษของกันและกันภิกษุณีเหล่านั้นอันภิกษุณีทั้งหลายพึงว่ากล่าวตักเตือนอย่างนี้ว่าน้องหญิงทั้งหลายอยู่คลุกคลีกันมีความประพฤติเลวทราม มีกิเลสทัพย์ในทางเสื่อมเสียมีชื่อเสียงไม่ดีมักเบียดเบียนภิกษุณีสงฆ์ปกปิดโทษของกันและกันน้องหญิงทั้งหลายพวกท่านจงแยกกันอยู่เถิดสงย่อมสรนเสริญการแยกกันอยู่ของน้องหญิงทั้งหลายเท่านั้นภิกษุณีเหล่านั้นอันภิกษุณีทั้งหลายว่ากล่าวตักเตือนอยู่อย่างนี้ก็ยังยืนยันอยู่อย่างนั้นภิกษุณีเหล่านั้นอันภิกษุณีทั้งหลายพึงสวดสมรสภาษจนครบสามครั้ง เพื่อให้สละเรื่องนั้นถ้าพวกเธอกาลังถูกสวดสมุภาพกว่าจะครบสามครั้งสละเรื่องนั้นได้นั่นเป็นการดีถ้าไม่สละแม้ภิกษุณีเหล่านี้ก็ต้องทำคือสังฆาทิเศษที่ชื่อว่ายาวัตะติยกั น, นิสรณียะเรื่องภิกษุณีอันเตวาเสนีของภิกษุณีทุลนันธาจบ